สิกขาบทที่ส0ถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อรับบินทบาทล้นขอบปากบาทในสิกขาบทที่สิบนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจาขมภกตะวักที่สาจบ